ชาเกินไปการฝึกขานหนาก็จะขลุกคลักเพราะนั้นให้มาถ้าจะบวชก็ให้มาวันที่ส0บสบอดนะแล้วก็จะบวชจริงกับวันที่ส7บเจดจะบวชใช้เวลาการฝึกขานนาคอยู่เจ็ดวันจากนั้นก็เข้าพรรษาเข้าพรรษาวันที่26สหวันที่26 27หบเจ็ด ข้ารรษาเป็นวันอธิษฐานพรรษาจริงแต่วันอสสรหะบูชาวันที่ยี่สิบหกดูปีนี่ยยี่หกกรกฎาห้าสามเป็นวันอสสรหะบูชาวันที่ยี่สเจ็ดเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระแต่ถึงยังไงบวชวันที่สิบจ็ดจากนั้นไปกเราก็จะได้ท่องคําอธิษฐานพรรษาท่องวิธีแสดงอาบัต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 แล้วก็บอกให้ญาติของนาคทราบด้วยหลวงพ่อไ ม, ม่ได้อยู่รับนาคนะในเมื่อนาคเข้ามาแล้วก็ฝึกขานนาคเลยลหละไม่ต้องรอจัดเป็นหมวดหมู่อย่างที่พวกเราเคยทำนะพะเราทำมาหลายรุ่นแล้วจากนั้นก็พวกพระก็ควรจะให้ความอื้อเฟื้อกับนาคหาหนังสือบ้างพุทธประวัติบ้าง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 เราต้องเอาหนังสือให้หนังสือธรรมะให้พุทธประวัติให้สาวกประวัติให้เอาหนังสือประวัติของครูบาอาจารย์ประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระธุรงค์กรรมาฐานเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แล้วก็ที่พักพาศัยจะให้พักที่สลักเก่าก่อนถ้ามันเหลือถ้าเหลือก็คงจะไปพักนู่นละกุฏิแม่ปอก็ได้นะทํามาหลายคน แต่หลวงพ่อกไ็ไม่ได้ <S <S <S ไม่ได้บอกว่ากี่ค น, น่ะแต่ไม่น่าจะเกินสิบคิดว่านะแต่วันนี้แล้ ว, วันพรุ่งนี่แหละจะรู้ได้หรือวัจนจำฟันจาพรรษานั่นแหละบรรข่พรรษาจะรู้ได้ว่าพระใหม่ของเรามีกี่องค์เพราะว่าผู้ที่แสดงความจำนงแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ เวลาใครแสดงความจำลงว่าจะบวชหลวงพ่อก็ลงในสมุดเอาไว้ว่านาคที่ไหนอยู่ที่ไหน อ, อายุเท่าไรทำอาชีพอะไรหลวงพ่อจะจดๆเอาไว้แต่พอต่อมานาค ก, ก็เบี้ยวหลวงพ่อไงว่าจะมาบวชแต่มันติดภาระธุระมาไม่ได้บางทีก็พ่อแม่เจ็บไข้ใด้่ป่วยบางพ่อแม่ล้มหายตายจากบาง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 เป็นวันมาพบกันใครจะบวชหรือใครจะไม่บวชถ้าพูดหมดไปแล้วก็ปิดติดทุระอย่างที่ลุงพ่อได้พูดให้ฟังนั่นแหะก็เลยไม่ได้ใส่ใจเพราะนั้นถ้าถามว่าลุงพ่อทําไมพูดที่จะมาบวชลุงพ่อจึงไม่รู้น่ะก็เพราะเหตุเหตุที่หลุงพ่อได้พูดไว้นั่นแหะบางคนก็ติดธุระมาไม่ได้พราะนั้นลุงพ่อก็เลยไม่ได้จดได้จําไม่ได้บันทึกเอาไว้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 ดูความพร้อมพ่อนาคเข้ามาใหม่นี่ยเหมือนกับเราไปต่างถิ่นอย่างนั้นแหละไปหาไปถึงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่ให้ไม่ให้ความอื้อเฟื้อเอ้ออารีมันก็ห่อเหี่ยวนะไม่ว่าเขาว่าเราเพราะนั้นนาคที่เข้ามาใหม่เนีกับพวกเราที่เป็นพระผี่เลี้ยงตรงช่วยดูอันนี้แหละคือทายาททายาทของพระพุทธศาสนาทายาทของพวกเราถ้าเรา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 เนีมันมีอยู่แต่ถ้ามันมีแล้วก็ไม่ต้องสั่งเข้ามาเพราะมันมีอยู่แล้วนะเพราะนั้นขอให้พวกเราช่ว ย, วยกันดูนะพระเหลืองบริขารพระพายะทารุจริยะนะพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสปะอายุยืนถึงสองหมืนปีพอท่านบวชเสร็จแล้วท่านก็ขึ้น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 กันไว้อย่างนั้นถ้ายังงั้นเอา้าพวกท่านทั้งหลายตั้งใจภาวนานะพวกเราทําถูกท้องแล้วละ่ะถูกทางแล้วละ่ะที่เราได้ศึกษามาันเอถูกทางแล้วผมได้แล้วผมจะไปแล้วนะองนั้นกับไปวงที่สองมาอีกวันที่สองอีกได้พระอนาคามีได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีวงนี้กับบิณทบาทเหาะได้อีกเหมือนกันมาให้ชวนหมู่ชั้นหมู่ไม่ชั้นองนั้นกับไปอีกหน่อย ยังเหลืออยู่ห้าทีนี่ภาวนาอยู่บนยอดเขาผลนสุกเ็เลยตายตายอยู่บนยอดเขาห้าองค์นีคือพระพาหิยะทารุจริยะเนี่ยละองหนึ่งว่างั้นเด็เมื่อท่านตายไปแล้วท่านก่อขึ้นไปอยู่ฉวันชั้นพรมของท่านหละพอมาพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกคือพระโคตมะทีนี่องก่อนนั่นคือท่านศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะนะ แต่องค์นี้พระโคตมะต่อไปนั่นคือพระสีอริยะเมตไตรต่อจากพระโคตมะไปเนี่ยพระโคตมะอุบัติขึ้นในโลกพระวิญญาณของท า, ทารุจริยะที่เป็นพระภิกษุที่ไปนั่งภาวนาอยู่บนยอดเขาน่ะมาเกิดพอมาเกิดมาชาตินี้ก็ไปเกิดอยู่ใกล้ใกล้กลฝั่งทะเลและเป็นพ่อค้าสเพาเป็นลูกน้องเขางหมือนกัน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 ก็อายคนเลยจ้ะเนี่ยไปเห็นปอผ้าปอที่ปอที่เขามันอยู่ในฝั่งแม่น้นะํา่ะเท่าที่จะหาได้เพางั้นเลยมาแล้วก็มามาปิดปิดปิดปิด <aha>. ร่างกายของตัวเองที่มันจะละอายนลยแล้วก็เอาเสือกปอเนี่ยพันพันพันเอาเชือกพันพันเอาไว้เพางั้นพันตัวเอาไว้จากนั้นคนทั้งหลายก็เห็นโอ้อันนี้พระละหันเนี่ยเป็นผู้มักน้อยฉันโดดเห็นไหม มีแต่กระดาษมีแต่ภาพปิดที่ของละอายตัวเองเท่านั้นแล้วลเอาเชือกพันๆหุ้มเอาไว้นี่แหละเป็นผู้สันโ ด, ดที่แท้จริงอันนั้นคือพระละหันเขาไม่ว่าเขาไม่ได้ถามว่าตัวเองลอยคอมาเลยจะน่ะเอาเอาเอาหารมาให้เอาอาหารมาถวายแต่นี่พาพาญาณนี่ก็พอเขาอาหารมาถวายกันได้กินอาหารเลยนีอิม่มมีพีมัน อาชีพนี้ก็ดีเหมือนกันเนว่าอาชีพแก้ผ้าเนว่าเพราะวัาเนี่ยอาหารแบบง่ายๆเนี่ยก็เลยยึดอาชีพนั้นต่อมาเลเนี่ยเออยึดอาชีพที่ว่าไปนุ่งผ้าทีเนี่ยแล้วก็เอาของที่มักน้อยสันโดดอย่างที่ว่านะคนทั้งหลายก็นับถือเรื่อมใสโอมากเลยทีเนี่ยทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเพรางั้นเะเห็นว่าท่านองค์เนี่ยดูสีคนเนี่ยคนคนเนี่ย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 ลงมาอพาหิญะเนี่ยไปในทางผิดแล้วเป็นมิจฉาทิธฐิแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ลงไปแก้ไขเนี่ยพายิญาจะไปหนักนะตกนรกนะทั้งที่ตัวเองเ็รู้ ร, รู้แก่ใจว่าไม่ได้สำเร็จเป็นพระหรันแต่เนี่ยเขายกย่องว่าตัวเองเป็นพระหรันก็เลยเป็นพระหันไปเลยเพราะงั้นเถอะพอหากินแบบนี้มันง่ายดีต้ม ต, ตุนเขานะ่ะ ที่ในจิตใจแล้วไม่ใช่พระหันเป็นผู้ละกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ใช่พายะทำผิดทางแล้วเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิจากนั้นเพื่อนก็ปลาหนีว่างั้นเถะที่เป็นพรมอยู่ชั้นพรมนะก็เลยลงมาจากชั้นพรมลงมากของในอากาศเป็นเป็นเทวดานะาะพายะเนละยก็มองเดือบขึ้นไปเธอรู้แก่ใจว่าเธอก็รู้แก่ใจว่าไม่ได้สําเร็จเป็นพระหรัน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 มีพระสงฆ์สาวกพร้อมอันนั้นแหละให้ท่านไปศึกษาให้ให้ท่านเขาไปศึกษาให้ไปเรียนรู้และปฏิบัติท่านจะได้สําเร็จมรรคผลพอพูดเท่านั้นแหละพร้มก็หายเงียบไปเลยอันนี้โอ้เกิดความสลดสังเวชใจอย่างใหญ่หลวงเลยเออใช่ท่านพรม้มเทวดาเนี่ยมาบอกข้าพเจ้าถูกหมดทุกอย่างเลยข้าพเจ้าจะต้องเดินไปกรุงสวัสดีเดี๋ยวนี้แหละ จากนั้นก็หาเสื้อผ้าได้หนุ่งเรียบร้อยพอสมควรแลยก็เดินอ้าวเลยกลุงสวัสดิ์อยู่ทางไหนเมื่นอนั้เดินทั้งวันเดินทั้งคืนไม่หยุดไม่ย่อนเลยเมั้นเด็กเพราะว่าชีวิตของเราเป็นของไปเที่ยงแท้แน่นอนอาจจะหดล้มหายตายจากเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะนั้นเราจะเป็นนอนใจนอนจมในชีวิตนี้ไม่ได้เพราะท่านภาวนามาก่อนนะเนยบนหลังเขานะเห็นไหมท่านภาวนานะ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 ทายาเนี่ก็เข้าไปถามพระที่กลับมาก่อนเหมือนกันนี่กลับกลับมาก่อนชั้นยังหันก่อนก็ถามว่าพระคุณท่านพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนครับถ้าส่งก็บอกเดี๋ยวนี้พระพุทโธงกำลังเสด็จบินถมาตอยู่ที่กรุงสวรรค์ถียังไม่กลับมาโยมมาจากไหนผมมาจากท่าน้ําครับติดทะเลโอ้มาจากไกลเนี่ยเอาพักผ่อนซะก่อนเอาพักผ่อนก่อนเอา้อเอาดื่มน้ําดื่มท่าซะก่อน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 ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เอา้าตามสบายเลย้พายแยากก็เดินอ้าวเลยไปเขาเดินเข้าไปในกรุงสวรวคถีเห็นพระสงฆ์บินธบาตพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เดินบินธบัตในเมืองมื่นพ่อไปเห็นเท่านั้นแหะให้เข้า่าท่านเคยเป็นพระมากอ่อนเยใช่หเคยเป็ น, ปนพระภิกษุมา ก, ก่อนแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปาน พอเห็นเท่านั้น น, ะน้ำตาไหลาอาบแก้มเลยวงั้นเถอะน้ำตาไหลาผาเลยโ อ, โอ้โหเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์แล้วท่างั้นใครว่าปีติท่วมทน้นหัวใจอย่างมากเลยพูดอะไรสอือกสะอื่นเลยว่างั้นเถอะแสดงว่าเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพอกราบไปปนมมือบอกข้าพระองค์ขอถามปัญหาขอฟังเทศพระพุทธเจ้าด้วยเถิดนะพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วายังไม่ใช่การภาให้ยากเล พพระพุทธองค์มองดูหัวใจของภายยะเนี่ยเตรียมเปลี่ยมล้นไปด้วยปีตินเพราะงั้นไงปีติคือความอิ่มใจคนที่จะอึดซื่องอนี่จะไปสอนธรรมะจะเข้าใจได้ยังไงใช่ไหมพระพุทธองค์ว่ายังไม่ใช่การภายยะพระพุทธองค์ก็เดินไปอีกไง พ, พอเดินไปอีกภัยยะก็ถามอีกขอพระขอพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเทิดเพราะข้าพระองค์ไม่ไว้ใจในชีวิตของข้าพระองค์ ไม่รู้จะหล้มหายตายจากเมื่ อ, อไรอาจจะไม่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดข้าพระองค์โดยเทิดยังไม่ใช่การพาหยะใครเท้าปีติไปยังยังไม่ลดปริมาณแต่ก็ลดปริมาณลงบ้างแล้วว่างั้นแต่แต่ยังไม่พร้อมที่จะแสดงธรรมได้ปีติยังยังท่วมท้นอยู่จากนั้นไปพอครั้งที่สามหมดถึงใครท้าความปีติท่านอิ่มใจนั้น จอึดจอื่นนั่นหายเหมือนกัหายลงไปแล้วไปกล่าวพระพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้าเอายืนเราจะพูดให้ฟังพายะก็ยืนต่อหน้าพระพุทธเจ้าพุทองค์บอกว่าเห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สับปรู้อย่าไปให้ความสัมพันธ์ในการรู้การเห็นนั้นพายะพระพุทธเจ้าตัดเพียงเท่านั้นเละพายะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต่อพระพักพระพุทธเจ้าเหมือนนนะพอได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วก็พระพุทธองค์ก็มองดูนะ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 ท่านได้สําเร็จเป็นพระทหารบริขารลอยมาแต่ น, นี้พระพาหิยะเนี่ยพระพุทธองค์มองอุปนิสัยมองดูบุญบา ร, รมีของพระภาหิยะไม่เคยจัดบริขารให้หมู่พวกเพื่อนเลยที่บวชในศาสนาพระพุทธเจ้ากัจจปะสอง0 0ื่ปีเนี่ยไม่เคยขนขวายไม่เคยจัดบริขารไม่เคยดูแลเรื่องบริขารให้หมู่พวกเพื่อนมีมาแล้วก็ใช้ตัวเองแล้วก็จบไปจบไปแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ไม่เคยดูแล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 อยู่ในตำราเป็นไปได้อย่างไ น, นจากนั้นพระพายะทั้งกอดเดินออกไปจากพ ร, ระพักพระพุทธเจ้าไปหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าผ่านไปแล้วมีวัววัวตัวเมียมันคงจะหวงลูกมันมากเคยเป็นคู่อาฆาตกันในอดีตชาติคือตะก่อนวัวตัวนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นผู้หญิงหากินเหมือนกันเถอะพายาเนี่ยแต่เป็นลูกเศรษฐีเอาเงินให้เขาเสร็จแล้วก็ น, นั่นนะผลที้สู่ก็เลย เอาเงินเอาทองให้เขาผลให้สุดก็เลยเสียเงินกลัวเสียเงินเสียทองก็เลยฆ่าเขาเหมนันน่ะฆ่าเขาฝังดินไปเลยเหมนันน่ะแต่นางคนนั้นเขาก็เลยปรารถนาว่าข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้าได้ฆ่าพวกนี้ทั้งสามคนนะข่าพวกนี้ทุกภพทุกชาตินี่แหละการจองเวรเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระระงับไม่ได้ด้วยการจองเวร เนี่ยนะเมื่อตัวเองไปทำให้แก่เขาเขาจองเรียนเราไงนะทั้งที่เราอำนวยความสุขให้แกสูเจ้าแต่สู้เจ้ากลับมาฆ่าเราทิ้งฮขอให้พบใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้าได้คาบพวกเจ้าทุกพบทุกชาติที่สูเจ้าเกิดมาเพราะนั้นเกิดมาชาตินี้ย่าไอนางคนนั้นก็นมาเกิดเป็นวัวนพระภายยากะก็เดินโตเตไปเพื่อจะหาบริขารอทบริขารวัวตอนนั้นก็ได้โดด ชนเลยว่ะควิดเลยพายยะก็เลยตายเหมือนกันนะพอตายพระพุทธองค์ไปฉันปินฑบาตเดินผ่านกลับมาเห็นแพ า, ายะนอนกองออกนาะขึ้นมาเหมือนกันอยู่ข้างถนนคนทั้งหลายก็ดูดูแต่วเี๋พระพุทธองค์บอกว่าเออภิกษุทั้งหลายเธอต้องหาเฉลียงหาเตียงเอาภายยะเอาไปเผาวัดป่าเชตะวันพระสูงทั้งหลายก็เลยเอาเตียง ถามพระภายะเข้าไปไปไปชุมเพลิงพอไปชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็ถามถามพระพุทธเจ้าว่าพระภายะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักนะเวลาเดี๋ยวนี้เขาตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนหนอะไปเจ้ายวขางพระพุทธองค์ว่าภายะปรินิพานแล้วเป็นไปได้หรือพระพุทธองค์เพียงพูดเพียงสองบาทสามบารพระคาถาท่ตนเอง ูพพุทธเจ้าแบบถึงจะพูดคำเดียวสองคำก็ตามถ้าคำนั้นถึงใจถึงใจผู้ปฏิบัติธรรมถูกแนวทางของผู้ปฏิบัติธรรมคำนั้นล่ะมีประโยชน์มากถึงจะพูดทั้งวันทั้งคืนก็ตามแต่พูดแล้วมันไม่เข้าหูผู้ฟังคำพูดนั้นไม่เกิดประโยชน์แต่คำพูดใดก็ตามถ้าผู้ฟังไปแล้วกินใจถูกใจเข้าใจ ได้ทำคำสอนคำนั้นเพียงคำเดียวเท่านั้นเปิดเกิดประโยชน์นี้ก็เหมือนกันพระพาหิยะท่านเป็นพระในขั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะมาก่อนท่านบำเพ็ญมาจนฝึกฝนมาจนเบาบางเต็มที่แล้วแต่ท่านไม่ได้สำเร็จแต่พอได้ยินอัดธรรมของเราว่าเห็นได้สักว่เห็นรู้แตสักวรู้อย่าให้ความสาคัญในการเห็นในการรู้นั้น เพียงแค่นั้นท่านก็ปล่อยวางในจิตใจของท่านท่านก็จะสำเร็จเป็นพระหรันพราะนั้นภายยะเป็นพระหรหันนะเป็นพี่ของพวกท่านทั้งหลายนะเอาประชุมเพลิงนี่แหละเมื่อประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อธัธิษฐานของท่านเอาไปไว้ในทางสี่แผงหรือเอาเป็นทําเป็นสถูปเจดีไว้กราบไหว้ได้เพราะท่านเป็นพระหรหันแล้วท่านหมดจดจากกิเลสแล้วนะีอันนี้ก็คือจุดหนึ่งเหมือนกัน สรุปแล้วก็คือกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเขาจะต้องจองกรรมจองเวียนเราเมื่อภายหลังเพราะนั้นอย่าคิดอย่าไปคิดว่าเอาชนะคนแล้วจะเป็นผลดีสําหรับตัวเองไม่ใช่นะเอาชนะคนได้นะเหมือนกับนางยักษกินีเหมือนกับนางผู้หญิงหากินคนนั้นแหละเขาจองเวีนเข้ามาเนะ่ยฆ่าทุกภบทุกชาติมาเลยไม่รู้ว่ากี่ชาติมาแล้วว่างั้นละ แต่ตามไม่จริงก็ฆ่าไปมองมาเบางคนคงจะลอยหลอไปเรื่อยเหมือนกันนะนะอันนี้ท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่าฆ่ากันมาแล้วกี่ชาติปังเงั้ยแต่ชาตินี้ก็โดนฆ่าทั้งสามคนนั่นที่ไปเอาเอาผู้หญิงคนนั้นนะ่ะอันนี้แหละคือเขาจองเวรเขาจองเวรถึงเราจะไม่จองเวรกับเขาก็จริงแต่เพาะเราประทําให้เขาเจ็บใจเขาจองเวรเรานะก็เลย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 มันก็เป็นการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อพวกที่เข้ามาบวชใหม่ก็เป็นบุญเป็นคุอสนของพวกเราอีกเหมือนกันนั่นแหละนะ